การฝึกจิตหรือว่าการบาเพ็ญทางจิตที่เราเรียกว่าภาวนามันทำได้หลายแบบนะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะฝึกจิตไปในทางไหนให้จิตมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างเช่นการเจริญเมตตาหรือเมตตาภาวนาอันนี้ก็เป็นการ ฝึกจิตหรือบำเพ็ญทางจิตอย่างหนึ่งทำให้เกิดอนิสงสเบตประการอย่างที่เราได้สาธยายมาซึ่งก็มีผลทำให้จิตเรานะเป็นจิตที่มีคุณภาพมีความสงบอ่อนโยนแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆวิธีที่เราเรียกว่ากรรมฐาน นะกรรมฐานนี้ก็คือการฝึกจิตหรือภาวนาอันที่เรามาฝึกกันที่นี่เราจะเน้นที่การฝึกอีกแบบหนึ่งนะก็คือสติปัฐานสติปัฐานก็คือการสร้างฐานที่มั่นให้แก่สติหรือผู้งาคือการเจริญสติการฝึกจิตนี่มันเป็นสิ่งต้องต้องใช้เวลานะ ที่จริงไม่ว่าจะฝึกอะไรก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้นตอนที่เราเป็นเด็กๆด็คงจําได้นะกว่าจะเขียนกอไก่ขอขายให้เป็นตัวต้องเขียนแล้วไม่รู้กี่ร้อยหรืออาจจะเป็นพันครั้งเขียนกอไก่ตัวเดียวนี่ต้องเขียนเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนกว่ามือเราจะเที่ยงนะเขียนแล้วก็เป็นตัวเขียนวอแหวกนก อ, ออ่างก็แยกกันได้ชัด สมัยตสมัยเป็นเด็กจําได้นะเป็นเด็กอนุบาลนี่วอลแวนกับอ้อ่างนี่แยกไม่ออกเลยไม่รู้มันต่างกันตรงไหนแต่ว่าพอเขียนไปเขียนไปก็รู้อาา้อวอลแวนหัวมันเล็กนะออ่างนี่หัวมันอีกแบบหนึ่งการเจริสติก็เช่นเดียวกันแต่จะว่าไปแล้วอาจจะใช้เวลามากกว่าเพราะว่ามันเป็นการทวนกระแส นิสัยความเคยชินเดิมที่สะสมกันมาสิปียี่สิบปีสาสิปี4ี่สิปีห้าสิปีคือนิสัยหลงลืมนิสัยฟุ้งซ่านนะเราก็คงจะเห็นด้วยตัวเราเองก็ว่าใจเราเนี่ยฟุ้งซ่านแค่ไหนเวลาเรามาเจริญสติปฏิบัติกันที่นี่เราหลงลืมบ่อยมากเลย แม้แต่คนที่คิดว่าตัวเองมีความจำเก่งจะจำแม่นจำเลข78หลักได้แม่นจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเป็น10 10เบอร์ได้หรือว่าจำพวกสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆจำคำศัพท์ภาษาต่างประเทศได้เป็นพันเป็นหมื่นคำแต่ว่า เวลามาปฏิบัติเราก็จะเห็นได้ว่าเราลงลืมได้ง่ายมากนะเพียงแค่เดินกลับไปกลับมาแค่สองสามเที่ยวนี่ก็ลืมแล้วนะว่ากำลังเดินอยู่ใจมันหลุดเข้าไปในความคิดไม่ได้ตั้งใจคิดแนตะ่มันก็คิดไปลวนี่คือนิสัยที่เราได้สะสมนะมาเป็นเวลาหลายสิบปี การที่จะสร้างนิสัยใหม่ที่ตรงข้ามคือนิสัยที่ไม่หลงไม่ลืมนิสัยที่มีความรู้ตัวทั่วพร้อมและลึกได้อยู่เสมอในสิ่งที่ทำในคำที่พูดหรือว่าเราลึกได้โดยเฉพาะสิ่งที่กาลังทำอยู่สิ่งที่ทำคำที่พูดนี่มันเป็นอดีตนะที่เราจะลืลึกได้ก็ต้องอาศัยความจําความจานี้ก็ เ, เป็นงานของสติอย่างหนึ่ง แต่ว่าสติที่เรามักจะขาดกันนะก็คือความระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจสังเกตไ้ยเวลาเราเดินจงกลมเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างจังหวะเนี่ยบ่อยครั้งเราก็ลืมกายลืมไปว่ากาลังเดินลืมไปว่ากาลังสร้างจังหวะโดยพอเวลากินนี่ชัดเลยนะ ลืมไปว่ากําลังกินใจเรากําลังกินความคิดแทนหรือว่าที่จริงพูดอียานคือถูกความคิดครอบงำจันทรลืมไปว่ากําลังกินอยู่อันนี้เรียกว่าลืมลืมกายนะคือไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ลืมใจก็คือว่าปล่อยใจลอยนะปล่อยใจลอยฟุ้งทั้งที่ตั้งใจแล้วว่าจะให้ใจอยู่กับกายนะจะให้ใจรู้ อยู่กับกายคือรู้กายเคลื่อนไหวนะแต่ว่าใจมันไปไหนแล้วนั้นต้องไปเก็บใจมานะไปเก็บไปกวาดใจจากอดีตบ้างจากอนาคตมัางให้มันมาอยู่กับกายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปเก็บไปกวาดใจหรือดึงใจมาจมอยู่ในความคิดเพราะอะไรเพราะว่าลืมอันนี้เรลืมใจ ปล่อยให้อะไรต่อแล้วมันดึงใจไปเช่นเสียงเสียงเสียงดังเสียงคุยของเพื่อนเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์ป่อยครั้งมันดึงใจเราไปไอกายก็กำลังเดินอยู่ตัวก็ยังเดินนะแต่ใจมันถูกดึงไปโน่นไปนี่แล้วอันนี้เรียกว่าลืมใจนะปล่อยให้ใจนี้ถูกดึงไปไปอยู่กับเสียงไปอยู่กับรูป บางทีก็ไปอยู่กับอาหารนะตักอาหารเห็นอาหารอ่ามันน่ากินนะอยู่อยู่บนโต๊ะใจก็ไปเพ่งอยู่ตรงนั้นแหละคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของเราไอ้ตรงนั้นนะ่ะมันลืมนะลืมใจไปแล้วปล่อยให้ใจนี่ถูกอ่าดึงไปอยู่กับอาหารจานชอบและตอนนั้นเองก็ลืมกายไปด้วย นั่นจำเป็นนะที่เราจะต้องฝึกฝึกใจของเราให้มีสติมีความระลึกได้นะความระลึกได้ที่เราต้องฝึกนะก็คือความระลึกระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจให้ความระลึกได้หรือความจําได้เรื่องอื่นนี่เราฝึกมามากแล้วทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องสูตรคูณนะ แต่นั่นมาเป็นความจําได้ในเรื่องนอกตัวจําสูตรคณิตศาสตร์จําสูตรเคมีอย่าสูตรคูณได้อันนั้นเป็นเรื่องนอกตัวแต่ว่าสิ่งที่ต้องสร้างให้มีมากขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะมันจําเป็นมากต่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับความสุขความสงบในชีวิตก็คือความรรอดได้เรื่องกายเรื่องใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจ แต่ว่าการที่จะทำให้ใจมีสติได้เนี่ยนะมันก็ต้องทำด้วยต้องทาด้วยความรู้สึกสบายๆนะหลายคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตาทำจนกระทั่งเกิดความเครียดขึ้นมาการปฏิบัติเลยกลายเป็นความทุกข์ไปอาการจนสติแบบลวพ่าเทียนนี่นะ ต้องทำด้วยใจที่สบายนะหลวงพ่อเตี้ยท่านพูดแนะนำนักปฏิบัติใหม่ๆเสมอว่าให้ทำเล่นๆทาเล่นๆนะเวลาเราเล่นนะอะไรก็ตามเนี่ยมันเผลอมันพลาดไปเราก็เห็นไปเรื่องสนุกเราไม่หงุดหงิดนะถ้าเราเล่นแม้แต่เล่นกีฬาถ้าเราเล่นจริงๆนี่เตะบอลไม่เข้า ก็หัวเสียหรือว่าเตะไม่ถูกก็หงุดหงิดแต่ถ้าเราเล่นแบบเล่นๆ น, นะ เ, ออเสียประตูไปแล้วก็หัวเลาะได้นะเหมือนอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะพวกที่เขาแข่งกันด้วยการรับคำท้าด้วยการเอาน้ำเย็นเทใส่หัวล่าทั้งตัวนะก็ทำ ด้วยความสนุกมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากลำบากอะไรการปฏิบัติการเจรญสติมันไม่ยากนะถ้าว่าเราวางใจถูกเริ่มต้นด้วยการวางใจสบายๆนะเวลาเดินจงกรมหรือว่าจะเริ่มต้นเดินหรือเวลาจะสร้างจังหวะก็ลองยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยยิ้มให้กับตัวเองนะอย่าทาหน้าดำคร่ำเคร่ง นะเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยใจมันก็จะเกร็งจะฟุ้งไปเผลอไปก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะบางคนนี่พอใจมันฟุ้งไปก็จะไม่พอใจเพราะว่าตั้งใจว่าจะบังคับจิตไม่ให้ฟุง้งจิตนี่มันบังคับไม่ได้นะมันเป็นอนัตตาเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าอาตมาบอกให้ทุกคนเนี่ยโกรธสิ ตอนเนี้โกรธสิเราโกรธได้ไหมโกรธไม่ได้เราสั่งให้จิตนั้นโกรธไม่ได้จนกว่าเราจะนึกถึงคนที่เราเกลียดขี้หน้าจนกว่าเราจะนึกถึงคนที่หักหลังเราไม่ซื่อกับเราทําร้ายเราพอคิดนั่นแหละถึงจะเริ่มโกรธแต่ว่าอยู่ดีจะให้โกรธก็ไม่ได้อยู่ดีจะให้หัวล็อกก็ไม่ได้จนกว่าจะนึกเรื่องที่เราสึกขำรู้สึกตลกเราถึงจะหัวล็ากได้ แม้แต่ดาราที่เก่งนะเขาไม่ใช่ว่าเขาก็จะจะแสดงอาการต่างๆได้เขาต้องเขาต้องอินไปกับบทแล้วเขาก็นึกปรุงเพื่อทําให้ใจเนี่ยมันเป็นเป็นไปอย่างที่ต้องการแล้วก็จะได้แสดงอาการออกมาให้คนดูเห็นอย่างที่ปรารถนาพื่อเขาต้องปรุงแต่งจิตก่อนนะให้โปรดปรุงแต่งจิตเพื่อจะได้โกรธปรุงแต่งจิตเพื่อจะได้รักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาเจริญสติเนี่ยจะไป อย่ไปคิดบังคับจิตนะว่าเราสามารถบังคับจิตไม่ให้คิดได้เราสามารถจะบังคับจิตให้มันอยู่กับกายได้สามารถบังคับจิตให้รู้กายเคลื่อนไหวนะอันนั้นสั่งไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะกล่อมกลานะหรือว่าฝึกฝนจิตได้นะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราสั่งให้ต้นไม้โตเราสั่งไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างเหตุปัจจัยทําให้ต้นไม้มันโตเช่นเราลดน้ําให้มันเราใส่ปุ๋ยให้เราพรวนดินให้นะแล้วต้นมาก็จะโตขึ้นเองการโตเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยต้นไม้แห่งสติก็เหมือนกันนะเราสั่งให้มันโตไม่ได้แต่ว่าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยได้ เหตปัจจัยอันนี้คือการทำบ่อยๆเดินกลับไปกลับมาหรือว่าสร้างจังหวะแต่ก็จังต้องอาศัยการวางใจด้วยวางใจให้พอดีๆนะอย่าทำด้วยความอยากนะส่วนใหญ่ที่พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะมันมีความอยากอยากอะไรอยากให้จิตสงบอยากให้จิตไม่คิดอะไร ไอ้ความยากนี่แหละที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อ น, นักปฏิบัติพราพออยากแล้วเนี่ยพอใจเผลอฟุ้งไปใจเผลอคิดไปก็จะไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก็จะพยายามบังคับมันวิธีการบังคับจิตก็ทําได้หลายอย่างเช่นไปจดจ่อจิตให้มันเพ่งอยู่ที่เท้าที่มือบังคับมันหรือว่าไปดักจ้องดูความคิดความคิดโผล่มาเมื่ อ, อไหร่ก็จะตะปบมันไปดักจ้อง ความคิดก็ไม่ใช่ท้าไม่ใช่ไม่ใช่ทางนะไปเพ่งที่เท้าที่มือก็ไม่ถูกนะการเจริญสติแบบหลวงพ่เทียนนี่ถ้าเราไปไปบังคับจิตมากเนี่ยหรือไปกดดันจิตมากนี่จิตมันช้ำนะจิตมันช้ำแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะอารวาและอารวาดหลายอย่างนะอาจจะรู้สึกเครียดขึ้นมาหรือว่าเกิด คิดน่นคิดนปรุงแต่งต่างๆนานาบางคนทําไปทําไปตัวแข็งเลยนะตัวแข็งมือค้างแล้วก็มีนี่เรียกว่าจิตนี่มันสู้นะจิตมันมันพยศมันก็ปวดละเพราะว่าไปไปทํามันช้ำนะบังคับจิตไปกดดันจิตจิตก็สู้แทนที่ใจจะเป็นจิตจะเป็นนี่กับเราก็กลายเป็นศัตรูนะทําใจสบายๆนะ เผลอบ้างฟุ้งบ้างไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะเหมือนกับนักกีฬานักเทนนิสนักนักนักตีปิงปองหรือว่านักตีแบดมินตัน<ม>เขาพลาดไปนี่เขาก็ปล่อยมันไปเลยนะเขาไม่ไปหัวนคิดว่าทำไมเมื่อกี้พลาดนะหรือไปเสียใจกับลูกที่พลาดไปนะนักกีฬาชั้นดีนี่เขาทิ้งไปเลยนะแล้วเขาเริ่มใหม่ เราก็ต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันนะปล่อยไปเลยวางไปเลยไอ้ที่ฟุ้งไปแล้วเราก็เริ่มใหม่ทุกครั้งไปกเริ่มใหม่ทุกครั้งไปนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเสียใจหงุดหงิดกับความพลั้งความเผลอที่ผ่านไปแล้วนะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะใจสีน้ำมันคือว่าอย่าจะให้ความอยากมันมาครองใจนะเวลาเราเวลาเราทำได้ความอยากเนี่ยใจมันไม่เป็นปกติแล้ว นะใจมันเจือด้วยกิเลสนะแล้วเวลาเราอยากนะใจเราจะมองไปข้างหน้าเราจะไปนึกถึงอนาคตเหมือนกับ น, นักเดินทางนะเดินทางไกลนะเดินทางไกลเนี่ยถ้าหากว่าใจไปอยู่ที่เป้าหมายนะจะเดินทางไกลด้วยความทุกข์มากเลยนะเพราะว่ามันจะคอยนึกอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึ ง, ถงวะนะ ทีแรกเมื่อไรจะถึงแยเฉยตอนตอนหลังก็เมื่อไรจะถึงวะต่อไปเมื่อไหรจะถึงว้อยนะแล้วก็ถ้ามันไกลไม่ถึงก็อาจจะเลิกเดินไปเลยไม่ไหวแล้วเลิกเดินเพราะมันไม่ถึงสักทีนะหรือไม่ฉะนั้นก็จะรีบเดินรีบจําพอรีบเดินรีบจําเป็นยังไงขาพลิกขาแปลงกลายเป็นว่ายิ่งอยากถึงไวๆกลับถึงช้า คนที่เขาเดินทางไกลนี่เขาจะเดินสบายๆนะก็จะเดินสบายๆเพราะว่าในการเดินสบายๆเนี่ยมันทําให้เขาสามารถจะเดินได้นานแล้วเขาก็ได้พักทุกเก้าที่เดินไอคนที่เดินเร็วนะเดินเร็วเดินจ้ำนะพอเดินไปได้สักพักสักชั่วโมงสักสี่สิห้าที่ต้องหยุดละต้องหยุดพักเพื่อที่จะเอาแรงกลับคืนมาแล้วค่อยเดินต่อ แต่คนที่เดินเก่งเนี่ยเขาเดินไปเรื่อยๆแม้จะเป็นการปีนเขาก็ตามอาตมาเนี่เคยเคยปีนเขาเคยเดินข้ามเขามีไกด์มีนักกุเทศเป็นชาวเขาเขาก็สอนวิธีการเดินนะัคือเดินช้าๆแต่อย่าพักนะเขบอกงี้เดินช้าๆแต่อย่าพักเราก็เถียงในใจนะว่าไอ้เดินช้ามก็เดินช้าอยู่แล้ว ว่านะต้อขึ้นเขาเนี่ยต้องแบกสัมภาระแต่ว่าไม่พักนี่จะทําได้อย่างไรนะแต่ก็ลองทําตามที่เขาแนะนําก็คือเดินชา้ชาๆเดินช้ากว่าที่เราเคยเดินปกตินอะาจจะเป็นทางชันทางลาดนะก็เดินชา้ชาๆแต่ว่านิสัยของคนที่เดินพื้นราบเนี่ยก็จะเดินเร็ว ส่วนหนึ่งเพราะว่าไปนึกถึงจุดหมายปลายทางยิงตอนนั้นนี่ต้องไปให้ถึงก่อนเพลนตอนนั้นก็เลยทำท่าจะเผลอจ้าอยู่เรื่อยตอนนั้นที่เป็นทางขึ้นเขาแต่ว่าพอมีสติรู้นะว่านี่เรากำลังใจเราไปอยู่ที่จุดหมายข้างหน้าแล้วไปอยู่ที่หมู่บ้านตอนนั้นชื่อหมูบบบนะหม่บ้านจับบูดสีจะไปหมู่บ้านจักบูสีเดินช้ า, ชา แต่เพอทีไลนมันเดินใจมันไปถึงหมู่บ้านจั บ, บูสีแล้วแล้วก็ทำให้ต้องเดินเร็วๆก็เลยเหนื่อยแต่ว่าพอมีสติรู้นะออกลับมาอยู่กับปัจจุบันเดินให้เท้ากับลมหายใจมันประสานกันจุดหมายอยู่แค่อยู่ไกลแค่ไหนใจอยู่กับปัจจุบันบอกว่ามันเดินเดินไม่ต้องพักเลยนะ ค่ะที่คนที่เดินก่อนนั่นนั่นที่จำเอาจำเอานี่เขาพักเราก็เดินผ่านก็ไปเรื่อยๆผ่านก็ไปเรื่อยๆคนที่เดินเร็วนะเขาจะถึงจุดหนึ่งก็ต้องพักลนะแต่พอเดินช้าเราเดินไปเรื่อยๆเราไม่รีบเดินสบายๆก็เป็นอย่างที่เขาว่าคือว่ามันไม่ต้องพักก็ได้พราะอะไรเพราะว่าได้พักระหว่างเพราะได้พักในทุกก้าวอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าไปถึงบ้านจะ บ, บูสีก่อนเที่ยง แล้วก็บอกว่าไปถึงมาก่อนใครๆเลยอันนี้ก็แสดงว่าที่มาคุเทเขาแนะนํานี่มันจริงทีเดียวนะก็คือว่าเดินไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจเป้าหมายเดีย๋ยวมันถึงเองนะคนที่เดินโดยที่ใจในสนใจแต่เป้าหมายเนี่ยก็จะพลอยเร่งรีบพอเร่งรีบเสร็จก็เหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จต้องหยุดต้องพัก แต่นี่ยังดีนะบางคนเดินเร่งเดินเรียบจกกนกระทั่งเท้าพลิกรองเท้ากัดกลายไปว่าต้องพักนานขึ้นยิ่งอยากถึงเร็วกลับถึงจะกลับถึงช้ายิ่งไม่สนใจที่จะถึงในกลับถึงไวให้การปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆกันนะแต่ว่า ก, การเจริญสติเนี่ยใจเราเนี่ยจะต้องวางความอยากลงถึงแม้ว่าความอยากมันพาเรามาถึงนี่ บางคนก็มาไกลนะแต่ว่าพอมาถึงนี้แล้วพอทันทีที่เริ่มเดินต้องวางความอยากนักเดินนี่เขาจะมีเขาจะมีหลักอยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันนะพวกเราเนี่ยเร า, า จ, จะต้องการความสงบเรา จ, จต้องการการมีสติตื่นรู้เบิกบานมันก็เป็นจุดหมายที่ไกลนะ แต่ไม่สำคัญความ้ใจอยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับการเดินอยู่กับการปฏิบัติไปถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะใช้หลักรถไฟไทยนะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแล้วเดี๋ยวมันถึงเองไอ้คนที่อยากจะถึงไวๆเนี่ยนะกลับถึงช้าหรือไม่ถึงเลยเพราะว่าท้อแท้นะปฏิบัติไปแล้วไม่เห็นความก้าวหน้าเพราะวังใจผิดความขยันเนี่ยต้องขยันแต่พอดีนะ ขยันมากไปมีปัญหาได้อย่างที่พู้เจ้านี่ได้แนะนำพระโสนั ก, กริวษษิสะซึ่งมีความเพียรสูงมีความตั้งใจมากเดินจนกระทั่งเดินจงกรงจงกมจนกระทั่งเท้านี่เป็นแผลเลยเพราะว่าท่านเป็นพวกสุขุขมารชาต์ขานี่อ่อนนิ่มอ่อนนุ่มนุ่มกับผู้หญิงอีกท่านเดินจงกรมท่านเดินเท้าเปล่า เท้าแตกจกนกระทั่งทางนี่มันเป็นเลือดเลือดนี่เป็นทางเลยนะแต่ท่านเดินไม่ได้ท่านก็คลานเนาเพราะว่าใจนี่ท่านมุ่งมั่นจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้คือบรรลุธรรมแต่แล้วก็ท้อไงท้อจกนกระทั่งคิดว่าจะเลิกแล้วจนท่าพุทธเจ้าต้องมาสเสด็จมาแล้วก็แนะนําโดยเปรียบเทียบกับพินสามสายเพราะว่า พระสนนี่เดิมท่านเป็นนักดนตรีดีดพินสามสายภูจา ก, ก็ถามว่าเนี่ยพินเนี่ยสายที่ถ้าขึงให้ตึงเนี่ยมันดีดเพาะไหมไม่เพาะถ้าดีดถ้าขึงให้ให้หย่อนนี่เพาะไหมมันก็ไม่เพาะต้องขึงพอดีพอดีและผููจา ก, ก็ตรัสว่าเนี่ยความเพียรต้องทําความเพียรแต่พอดีนะทำความเพียร แ, นะแต่พอดีนี่มันไม่ได้หมายถึงว่ า, าไม่ได้อยู่ที่ กิริยาอาการเท่านั้นแต่แต่มันอยู่ที่ใจด้วยนะว่าใจนี่มุ่งมั่นจะเอาจะเอาให้ได้หรือเปล่านะพระพุทธเจ้าแนะนําให้ทำความเปลี่ยนแต่พอดีพระโสณนะท่านก็ก็เข้าใจแล้วท่านก็วางใจให้ให้ให้เป็นกลางมากขึ้นและในสุดท่านก็บรรลุธรรมเป็นพะระอรหันตะ์อนะ่านพราะเราเนาะปฏิบัติเราก็ต้องรู้ทันใจของเรานะว่าเราทําด้วยความด้วยความด้วยความอยากหรือเปล่า พราะถ้าความอยากมันก็จะทําไปสู่ความตึงความเครียดคิดแต่เอาชนะความฟุ้งซ่านหลายคนก็พยายามไปบังคับจิตให้เพ่งนะบังคับจิตให้มันให้มันเพ่งอยู่กับเท้าบ้างอยู่กับมือบ้างมันจะได้ไม่ไปไหนพอเชื่อว่านั่นแหละจะทําให้ใจสงบนะแต่ว่ายิ่งทำนะก็ยิ่งยิ่งยิ่งหงุดหงิดนะเพราะว่าใจมันไม่ยอมไม่ยอมที่จะอยู่กับที่กับทางอย่างที่เราต้องการก็ไป ไม่ว่าเราจะบังคับมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมนะแล้วพอมันไปมันไปยาวเลยเราก็ต้องต้องใช้วิธีใหม่นะในการเจริญสติอ่าที่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความระลึกได้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจนะความระลึกได้มีสองอย่างสองประเภทอันแรกเนี่ยต้องตั้งใจ นะเช่นสมมุติเราจะนึกถึงการกระทําของเราเมื่อวานนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานเราต้องตั้งใจคิดสักหน่อยแล้วก็จะนึกได้ว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรหรือว่าเราจะนึกถึงเราเจอคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่แรกเรานิรไม่ออกก็ตั้งใจนึกสักพัออกอ่อนแล้วก็นึกออกแล้วคำนี้หมายความว่าอะไรอันนี้เรียกว่าทําให้เกิดความระลึกได้แต่ว่าความตั้งใจความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะมันต้องเกิดขึ้นมาเอง จะเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันออกมาเองเหมือนกับว่าอย่างประสบการณ์ที่เราอาจจะเจอบ่อยๆนะเรากำลังดูหนังอยู่นะหรือเรากำลังเล่น Facebook อยู่แล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรานัดเพื่อนเอาไว้สี่โมงเย็นตอนนี้มันจะห้าโมงแล้วอยู่ดีมันนึกขึ้นมาได้เองถามว่า บังคับหรือเปล่าตั้งใจเปล่าเปล่ามันนึกขึ้นมาได้เองนะหรือว่าเราทำครัวเราก็ตั้งน้ำเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับเพื่อนคุยกันจนออกรถออกชาติเลยแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าตั้งน้ำเป็นชั่วโมงแล้วน้ำนี่แห้งหมดแล้วไอตอนที่นึกขึ้นมาได้นี่นะมันตั้งใจนึกหรือเปล่าเปล่ามันมาเอง ในการความระลึกได้อย่างที่เราต้องการสร้างขึ้นมาในการปฏิบัติเนี่ยคื อ, อนนี้คือมันนึกขึ้นมาได้เองนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่เรากําลังเดินจงกลมนะนี่เรากําลังสร้างจังหวะนะหรือนึกขึ้นมาได้ว่านี่กําลังนั่งฟังคําบรรยายนะแห้เราสังเกตมาว่าตอนที่เราเดิน <c oughs> เดินจงกลมเดินสร้างจังหวะอ่ะนั่งสร้างจังหวะนะบ่อยครั้งมันก็ลืมไปนะว่ากําลังเดินกําลังนั่งอยู่ คิดไปคิดมาคิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นจบก็ไปต่อเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นจบก็ไปต่อเรื่องโน้นคิดไปประมาณห้าเรื่องเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเรากําลังเดินจงกรมเรากําลังสร้างจังหวะนึกขึ้นมาได้ว่าเราเผลอคิดเผลอคิดไปไอ้นึกขึ้นมาได้เองเนี่ยนะนั่นแหละคือสิ่งที่สิ่งที่เราต้องทําให้มันเกิดมาให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นให้เร็วนะไม่ใช่แค่คิดไป เก้าเรื่องแล้วถึงนึ ก, น, กนึกขึ้นมาได้ถึงจําได้แต่ว่าเพียงแค่นึกได้เผอคิดไปได้สองสาเรื่องก็นึกขึ้นมาได้เองมันไม่ได้เกิดจากเจตนานะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะบังคับจิตนะการไปบังคับจิตให้อยู่ให้ไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งเนี่ยหรือว่าการไปเพ่งที่เท้าที่มือหรือพยายามทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะ มันจะไม่ทําให้สิ่งเหล่านี้ความระลึกได้อย่างที่ว่าเนเกิดขึ้นได้ความระลึกได้ชนิดนี้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอสังคาริ ก, กั ง, งคือมันไม่ได้เจตนามันไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราเรานึกขึ้นมาได้บ่อยๆทํำบ่อยๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้บ่อยๆนึกขึ้นมาได้เอง บ, อ บ, อบ่อยๆนึกขึ้นมาได้เองบ่อยๆทีแรกเนี่ยนึกไปสิบคิดไปสิเรื่องถึงนึกขึ้นมาได้ ว่ากำลังเดินจงกรมกําลังสร้างจังหวะแต่ทาไปอีกทําไปอีกวันรุ่งขึ้นทําทำทำเอาตอนนี้5้าหเรื่องก็รู้ละ ว, ว่าเผลอคิดไปนะมันเกิดจากการที่ทําซ้ําๆทําซ้ําๆไปเรื่อยๆแล้วการนึกขึ้นมาได้เองการลดลึกขึ้นมาได้เองก็จะเกิดขึ้นทีขึ้นทีขึ้นนะจนกระทั่งมันคิดปุ๊บ ก, ก็รู้ปับเลยนะคิดปุ๊บ ก, ก็รู้ปับเลย ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่มารู้เองนะอันนี้แหละนะคือคุณภาพจิตที่แสดงว่าสัมมาสติได้เกิดขึ้นแล้วและสัมมาสติเป็นสัมมาสติที่ไวนะและสิ่งเหล่านี้แหละนะที่ทำให้ใจเราเนี่ยนะได้พบกับความสงบได้นะความสงบเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่ไปบังคับจิตไม่ให้คิดนะแต่มันเกิดจากการที่จิตเนี่ย นะไม่ไปจตเนี่ยมันมีเรียกว่ารู้ทันรู้ทันใจที่ไปไปจดจ่ออยู่กับเสียงหรือว่าสิ่งที่มากระทบนะความสงบเนี่ยเราอาจจะคุ้นกับความสงบที่ไม่มีเสียงดังนะเช่นอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องพระไม่มีเสียงดังแล้วเราก็สงบหรือว่าอยู่ในป่าไม่มีเสียงรบกวนเราก็สงบแต่ความสงบอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสงบที่ต้อง อิงอาศัยสิ่งแวดล้อมนะหรือว่าพอหลายคนแม้ว่าจะมาอยู่ในที่สงบแล้วเนี่ยก็พบว่าสิ่งแวดล้อมสงบก็จริงแต่ใจไม่สงบเพราใจมันคิดโน่นคิดนี่เพราะฉะนั้นก็อยากจะบังคับให้จิตมันเนี่ยหยุดคิดไม่ฟุง้งซ่านจะได้สงบสักทีวิธีนี้นี่มันก็ยังไม่ใช่วิธีการที่ดีนะ เพราะว่าการไปบังคับจิตเนี่ยแบบนั้นเนี่ยมันทำได้ประเดียวประดาดนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จ ะ, จะเจริญสัมมาสติให้เกิดขึ้นจิตเนี่ยสติมันสามารถจะรู้ทันนะเวลาใจคิดนึกไปมารู้ทันได้ไวรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางที่เรามาฝึกตรงนี้นะก็คือฝึกให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึก เมื่อกายเคลื่อนไหวก็รู้นะรู้นี่ก็คือรู้สึกหรือรู้สึกตัวรู้ว่าทำอะไรใจคิดนึกมันเผลอคิดไปนะก็รู้นะรู้ว่าใจคิดนึกพอรู้แล้วก็วางมันไม่ใช่แค่รู้ใจคิดนึกอย่างเดียวนะมันรู้เวลาใจไปจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดที่ทำให้เป็นทุกข์รู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอย่างนี้แหละที่ทาให้ใจสงบได้ คือหมายถึงว่าแม้จะมีเสียงดังแม้จะมีเสียงรบกวนแต่ว่าใจไม่ไปเพ่งไม่ไปไม่ไปจดจ่อที่เสียงนั้นหรือว่าถึงไปจดจ่อด้วยความเผลอเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทารู้แล้วก็วางตรงนี้แหละที่มันทาให้เกิดความสงบได้อย่างแท้จริงสงบเพราะสตินะแม่สงบเพราะไม่มีเสียงรบกวนการสงบเพราะมีสติเพราะรู้เนี่ยนะมันทําให้เราอยู่สามารถจะรับมือ สามารถจะสงบได้ท่ามกลางเสียงที่รบกวนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามีเสียงรบกวนเนี่ยเรามักจะคิดว่าเป็นเพราะเสียงแต่เรามักจะไม่ตระหนักว่ามันเป็นเพราะใจไม่มีสติมากกว่าใจที่เผลอไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่บุตรดาท่านยังยังมีชีวิตอยู่นะหลวงปู่บุตรดาท่านก็มรณภาพาไปยี่กปีแล้วเรื่องนี้คงประมาณสักห้าปีได้ มีคราวนึงก็โยมก็นิมนต์ท่านไปฉันเพลนที่กรุงที่กรุงเทพนะท่านอยู่สิงบุรีท่านก็มาฉันนะฉันเสร็จท่านก็จะกลับวัดนะแต่ว่าโยมเจ้าภาก็บอกว่าให้ท่านพักก่อนเพราะว่าสิงบุรีมันไกลสมัยนั้นเนี่ยกรุงเทพกับสิงบุรีมันไม่มีทางด่วนนะมันใช้เวลาสองสามชั่วโมงได้หลวงปู่ท่านก็อายุมากแล้วก็ให้ท่านได้พักก่อนก็หาห้องให้ท่านพัก ให้ท่านจำวัดก็มีลูกศิษย์อยู่สามสี่คนนะมาอยู่ในห้องเป็นเพื่อนลูกศิษย์เวลาคุยกันก็คุยกันกระซิบกระซาบไม่อยากรบกวนหลวงปู่แต่บังเอิญห้องห้องตรงห้องที่ติด ก, กับห้องที่หลวงปู่พักเนี่ยคือมันเป็นห้องแถวแล้วมันเป็นร้านของชาเจ้าของร้านเป็นคนจีนนะเป็นคนจีนเป็นผู้หญิงนะเป็นอัศินนะ คนจีนสมัยก่อนนี่เขาสวมเกีย้ยเวลาขึ้นลงบันไดเสียงเกีย้ยมันก็กระแทกกับบันไดเสียงดังเสียงดังก็ดังเข้ามาถึงห้องของหลวงปู่ห้องที่หลวงปู่จำวัดอยู่นะลูกศิษย์ก็ไม่พอใจนะก็พูดทำนองว่าเนี่ยเดินเสียงดังนะไม่เก่งใจกันเลยก็เปยเปยิเปบาๆนะแต่หลวงปู่ท่านแม้จะหลับอยู่แต่ท่านได้ยินถ้าไม่ได้หลับไปด้วย ท่นนี่ท่านก็เลยเปลยขึ้นมาว่าเนี่ยเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกีย้ยเขาเองนะเนี่ยท่านเตือนลูกศิษย์นะว่าเสียงดังมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเอาหูไปลองเกีย้ยเขานะหูไปลองเกีย้ยเพราะอะไรเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีสติก็เอาหูไปลองเกีย้ยนะแต่ถ้ามีสตินะเสียงดังก็สักแต่ว่าดังนะใจก็ไม่ไม่ไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้น ก็คือไม่อาหูไปรองเกีย้ยหรือว่าเกิดเพลอเอาหูไปรองเกีย้ยวก็อ เ, อเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็มีสติรูธธร้ทันมีสติรูธธร้ทันก็วางความหงุดหงิดก็หายไปเสียงดังก็ดังไปแต่ใจไม่ทุกด้วยใจไม่ใจไม่กระเพื่อมด้วยอันนี้เรียกว่าสงบสงบทั้งทั้งที่มีเสียงเกี้ยดังสงบทั้งทั้งที่มีเสียงมอเตอร์ไซค์สงบทั้งๆที่มีเสียงพูดคุยกันเพราะว่าไม่เอาหูไปรอง แม่หูไปจดจ่อที่เสียงเหล่านั้นทําได้อย่างไรก็เพราะมีสตินะนะหรือว่าแม้จะเผลอหงุดหงิดไปพอเสียงเหล่านั้นก็รู้ทันเมื่อรู้เสร็จเมื่อรู้ทันก็วางนะไม่ลืมใจนะไม่ปล่อยใจให้ไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นไม่ปล่อยไม่ปล่อยใจให้ไปจมคลุกอยู่กับความทุกข์ความหงุดหงิดที่เกิดขึ้น สติคือความไม่ลืมใจไม่ลืมใจก็ดึงใจกลับมาอยู่กับกายอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นนะและสิ่งเหล่านี้มันมันมันเป็นเองนะไม่ใช่ว่าจะบังคับหรือว่าจะตั้งใจที่เป็นเองหมายความว่ามันเกิดจากการฝึกนะฝึกให้สตินิวัยนะแล้วก็มันก็จะลึกลึกได้เองมันเผลอปุ๊บแล้ก็รู้ปั๊ บ, บเผลอปุ๊บรู้ปับ แล้วเกิดขึ้นจากความที่เราทําไปเล่นๆทําไปสบายๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนว่าเนี่ยทำเล่นๆ น, นะแต่ทําจริงๆนะคือทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปไม่หยุดทําซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามานะความระลึกได้ที่เกิดขึ้นเองก็จะไวขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะแล้วก็จะทําให้เราสามารถจะจิตเราจะสงบได้นะไม่ว่า จะมีเสียงไม่มีไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจก็ตามอ่ะคำนี้ก็พูดกันท่านนี้น ะ, ะครับ